นั่งตามสบายอือเ ม, มนี่มาดูาภาคบายเขาให้ความรู้เรื่องอะไรภาคปริยัติเาให้ความรู้เรื่องอะไรภาคปริยัติตอนบ่ายอะไรนะรยาวเลยหนังยาวเ น, ะนาเะโอ้โอกาสเอวังคะเเป็นซีรีส์นะได้เป็นซีรีส์นะ อืมรีสิยาวเนาะอืนน่าจะเป็นตอนๆนซนะีีสิอืมยาวเลยวันนี้คงก็ไม่เล่าว่าเป็นวันอะไรเพราะว่าทุกคนก็รู้ปัปแล้วถ้าเทศก็เรื่องเดิมๆวันนี้อีกวันหนึ่งที่อยากเก็บเปรียบเทียบให้พวกเราฟังว่าการเรียงลาดับความสำคัญในชีวิต เป็นอันตรายต่อเราพวกเราเน่ยอะไรสําคัญที่สุดสําคัญน้อยกว่าสําคัญธรรมดาการทํางานก็ตามมัต้องเรียงระดับวิธีคิดก็เหมือนกันถ้าเราลำดับความสัมันไม่ถูกมันก็วุ่นวายไ ม, ไม่รู้ว่าอะไรควรทําก่อนทําหลังอะไรสําคัญสําคัญกว่าสําคัญที่สุดตัวอย่างวันนี้อันนี้ไม่ได้ตําำหนิประวัติศาสตร์ไม่อะไร จริงๆแล้ววันนี้มันเป็นวันที่ทางเหนือของเรารู้จักกันคือว่าเป่งปุดเดี๋ยวน่าจะมีคนเตรียมปรสรบาตแล้วมั้งแต่ปุตภาคเช้าที่เราพูดถึงมาอยากให้เรามีความรู้เรื่องปริยัตเขาปริยัตยคือที่มาที่ไปอันแท้จริงแล้วก็ให้ความสําคัญ ตัวย่างครัว่าเป่งพุทธันเป่งก็คือเพนพุก็คือพุธก่อนพุธขึ้นสิบห้าค่ำไม่เกี่ยวกับเดือนถ้าจองกันอย่างนี้ทางเหนือถือว่ามันเป่งพุทธใส่บาตพระโอปคุคตาพระอุปคุคคือใครก็เท่าที่เราจําได้ก็จะนถึงพระมาเป็นหลัก แต่ทางพมากก่าเขาเรียกว่าบัวเข็มมีพระแล้วก็มีหมวกเหมือนดอกบัวจริงๆก็คือดอกบัวไม่ใช่หมวกอันนี้คือถ้าที่เราจําได้แล้วก็พระอุปคุณพระมาในนามของเนียนน้อยมานุ่นเที่ยงคืนมารับบาดวันหลังที่ยงคืนไปกมีพระเต็มไม่หมดก็อยาก เราให้พวกเราได้เป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นความจริงอีกด้านหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ฟังเพื่อที่ด้เปรียบเทียบเรียบเคียงถ้าเป็นวันอื่นเราคงไม่ว่ากันแต่เผ อ, อิญว่าเป็นปุตต์วันนี้ตรงกับวันนี้วันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อเรานะ พระพระคุตคือใครเ น, นี่ยทีบอกว่าต้องเรียงราดับความสำคัญให้ดีเราไม่ได้ดูถูกไม่ได้ปราโมทแต่ว่าการให้ความสำคัญหนึ่งสองสามสี่จำเป็นพระบภคุตโดยจากประวัติศาสตร์ตามตำราตาราว่าเกิดขึ้นในยุคพระเจ้าอาโศกมหาราช แต่พูดาายังไงคือหลังพุทธกาลไม่ใช่ยคพุทธเจ้าแต่ว่ามีชีวิตอยู่พระสงมหาราชคือคนที่ฟื้นฟูผู้ศาสนาหลังจากโดนที่ไฟพราหมณ์ทำลายสังฆนาครั้งหนึ่งสองสามก็มาสองร้อกว่าปีสามรปีช่วงนี้ก่อนนั้นพระองค์ก็ไม่ใช่เป็นพุทธทุท้ายกระแพแน่ น, น้อย คนที่ปราบเจ้าโศกขึ้นเนี่ยน้อยนะแต่เป็นพระอรหันตนะ์ไม่ใช่น้อยธรรมาดาวันนั้นกลับมาเชื่อพอฆ่าคนมาเยอะสุดท้ายก็แพ้เนี่ยน้อยอันนั้นนี่คือที่มานั้นพระองค์ก็เฉลิมฉลองในยุคของพระองค์นีสร้างจีดีศาสนสถานทั่วบ้านทั่วเมืองที่เราเห็นร่องรอยพุทธสารทุกวันก็เพราะพระองค์นี่ เป็นรูปธรรมฉลองกระทั้งครับบอกว่าเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันธรรมดาลนะ่ะยิ่งใหญ่มากๆเลยในขณะเดียวกันธรรมาเขาบอกว่ามานไม่เอะฉาซึ่งก็รไปร่วมมานคือใครหน้าตาเป็นอย่างไรก็มากอควรกอควรงานเพราะจัดงานงานเกิน ท่านก็ไแดอาราธนาอนในตำรานะพระโอปปุคติอยู่ใต้น้านามตำราอีกเชื่อกันว่าพระโอปปุคติปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่เป็นท่านกับพิศพันธ์ไปอยู่แล้วนะท่านบอกว่ายังมีชีวิตอยู่ใต้น้ำํำทางพมา่าทางมอญน เ, นเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วก็มาทางบ้านเรา าทางบ้านเราหมายกว่าทางเมืองเหนือซึ่งเมื่อก่อนก็มาได้เรียกเชียงใหม่อย่างนี้สมัยก่อนก็เรียกว่านกหรือว่ายวนยวนใยนยวนยยอยักษ์ไม่ใช่ยวนยอยผู้หญิงเขาว่ายวนก็คือยวนนก เ, เองคือรุ่นเชียงแสนนะคตง่ายๆยุคนั้นก็อย่าไปขอบเชื่อพวกนี้เพราะเหตุเหตุว่าในบ้านเรา มาเชื่อเอาจริงๆก็ประมาณรอสามรอสี่รอห้าพระจ้เก้าพระจูรจงเก้าประมาณนั้นมีพระมอรเอาพระที่มาถวายเราก็เชื่อกันตามมาอย่างนี้เชียงใหม่ก็เชื่อตามคําว่าเชียงใหม่คือทางเหนือนคือโยนกนี่ทําไมถึงเชื่อตามมันไม่ปแปลกเพราะว่าเชียงใหม่เราตกเป็นเมืองของพม่า ส, สองร้อกว่าปีจนเราลืมไปแล้ว วัฒนธรรมอันนี้ความเชื่ออันนี้ปรากฏตามมาอันนี้คือที่มาเพราะในทางพระเนี่ยทางพระประวาสต์ทางพระบัณึุพระเครื่องเนี่ยเขาก็ว่าไปอีกแบบหนึ่งปฏิหารอีแบบหนึ่งแต่ในทางประวาสตที่เป็นพระจริงๆคําถามคือทําไมท่านจึงมอายุยืนยาวขนาดนั้นถ้าเราอิงเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักเนี่ย พระเจ้าท่านบอกว่าแม้พระองค์ถ้ามีความประสงค์ที่จะมีอายุยืนยาวก็สามารถจะทำได้ถ้าบุคคลนั้นบำเพ็ญอิธิบาสีครบเพราะนั้นพวกเราฟังแล้วก็น่าจะเอาไปใช้นะอิธิบาสีคืออะไรแต่บำเพ็ญอย่างจริงจังนะ ใครมเป็นอิทธิบาทสีครอบเนี่ยสมาธิฐานอายุยืนยาวนานได้พระอุปคุตก็อยู่ในหลักการนี้ถ้าเป็นคบตอบนะแต่เป็นทั่วไปเหมือนสามัญบนเขาทั่วไปมันเป็นไปไม่ได้จะอยู่กันเป็นพันปีนเป็นไปไม่ได้แต่อันนี้ตำราเขาว่างั้นแล้วก็อิงเอาตัวเนี้ยเป็นหลักว่ายืนยันว่าผู้ชาตรัส จ, จริงแต่พระบุคุตอยู่ได้ ขนาดนี้หรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยรู้ไม่มเคยเห็นมีแต่ตำราแต่ประวัติศาสตร์แล้วก็วันดีคืนดีวันเนวันเพ็งวันพุธเดือนเพ็งก็เพ็งก็ขึ้นสิบหําคำไม่เกี่ยวกับเดือนอย่างวันนี้พระเอิญไปตรองกับพระพุทธเจ้าคือเพ็งแต่ปยเป็นเดือนหกวันแล้วก็เป็นวันพุธด้วยอันนี้เป็นวันพุธจริงๆพระพุทธเจ้าของเราเกิดวันวันศุกร์ ผู้จังเราประสูทวันศุกร์อานนี้ตามตำราที่หรสเเขาคำนวณย้อนหลังเป็นพันปีมาเขาว่าอย่างนั้นแต่ก็ยังเถียงกันไม่จบแต่สรุปก็เา้าอย่างนี้เพรัน <c oughs> นั้ น, เ ป, น, นเป็นวันพุธชื่อว่าวันเป็นพุธก็ได้ท่านว่าอุปคุตหรืออุปาุบตะชื่อหนึ่งแล้วก็เป็นเจ้าของอีกนิกายหนึง่ง คือปัจจุบันเราม่คมีแล้วเจ้าของลัธิคือนิกายหนึ่งเหมือนมหายานเราหินญาณมหายานเนะี่ยเป็นเป็นเจ้าของนิกายนิกายหนึ่งมันยาวพูดไปจำครั้งเดียวเราก็ไม่จำแล้ะสรุปว่าท่านก็เป็นเจ้าของนิกายอีกนิกายหนึ่งพระท้าวุอปคุตโอปะกุปตะเราเรียกโอปคุตง่ายๆแต่ทางโน้นเขาเรียกผ้าบัวเข็มก็อันเดียวกันอันนี้คือทางความเชื่อทางโยนก ข้างเหนือมีหลังประมาณนี้โดยคร่าวๆทีนี้เมื่อเรารู้แล้วว่าพระอุปคุณเนี่ยก็เกิดขึ้นในสมัยพระเ้าอาโศกก็คือหลังพุทธบริพ า, านแล้วประมาณสอง้กว่าปีาปีช่วงนี้จะเป็นช่วงกันทำสังเระนาครั้งที่หนึ่งสองสามที่เป็นยอมรับกันเป็นทางการจนถึงบ้านเราก็วัดจตยอดวัดโพธาราม อันนี้ข้างหลังสุดแล้วท้ายๆแล้วครั้งที่บ้านเราเนี่ยมันไม่นแน่ใจว่าเป็นที่ยอมรับทั่วไปหรือเปล่าเพราเราทํากันเองบ้านเราอันนี้คือประวัติง่ายๆที่นี้เราเรามาเรียงเรียงดูว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อแต่เราก็ไปให้ความสําสคัญกับคนที่เกิดสุดท้ายภายหลัง ไอ้ฝ่ายนิกายเนี่ยฝ่ายนิกายเนี่ยความเชื่อเขาอย่างหนึ่งก็คือเขาบอกว่าพระบุคุตย์อ่าคือพระอาหารหันต์องค์สุดท้ายคำนี้มันจะเป็นปัญหาทุกศาสนาที่เกิดขึ้นบนโลกนี้คำนี้จะเป็นปัญหาผู้คริสต์ก็มีปัญหาผู้อิสลามก็มีปัญหาว่านบีเป็นคนที่จะบอกอือคนสุดท้ายแล้วต่อไปไม่มีแล้ว ที่เป็นสมนัโทษทส่งลงมาจึงแตกในกายออกมาเยอะแยะมากมายคือขานข้านขับสอนเดิมอยากให้พวกเราฟังของคุณและเรียงความสำคัญอย่างเช่นไปมารอบบ้านรอบเมืองแขวะพวกเราพมา่าลาวเวียดนามราสุกัสไปอินโดมาแรือบุโรพุโธซึ่งมาก่อนมันจึงใหญ่มาก ย้อนหลังไปประมาณเมื่อ500กว่าปีก่อนแต่ว่าเป็นมหายานมหายานในยุคนั้นยุคุรพุทโธกับยุคศรีวิชัยบ้านเราทางใต้ช้ ย, ยาศยรีวิชัยนักศรีธรรมราชนะยุคใกล้เคียงกันกับเขเดนเดียกับกบูชาเพราะฉะนั้นศิลปะที่เป็นมหายานพวกเจดีย์พูดง่าย จะเรียกว่าอะไรแล้วแต่บ้านแต่เมืองเขาเขาก็ไม่ได้เะดีอย่างเราเพราะฉะนั้นศิลปะที่เกี่ยวข้องที่เป็นรูปของจีดีเรียประสาทก็แล้วแต่มันจะมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของนิกายที่ตามมาอย่างเช่นสายพวกเราพวกเราคือเทระบาท์คำว่าเทระบาทจะคล้ายๆกับสถูกคือปัจดิษฐ์ศีรจะเหมือนสถูก สุทายก็มาต่อยอดก็เหมือนกับรักคังเพราะฉะนั้นทรงจะดีจะเหมือนรักครังแต่พม่าย่อส่วนต่างกับเราตอนหลัง ก, กลายเป็นเหลี่ยมเหมือนที่เราเห็นนี่ส่วนของปรางหรือว่าประสาทของพวกอันาคตอีกแบบหนึ่งยุคเขมรสุดท้ายก็คือสรุปมายายนเขายิ่งใหญ่มากเมื่อ400ปีก่อน คำถามคือทำไมุกวันนี้จึงหายสาบสู์ไปแทบไม่รู้จักเห็นแต่บรูบุโูเพราะอะไรพร ม, ม่าเมื่อก่อนยิ่งใหญ่มากเราก็สืบทอดจากเขาของเราเนี่ก็สืบทอดจากเขาโดยช่องะนี่คือสายพระมนที่มีอุปการะคุณต่อ บ, บ้านเราอย่างมาก พ่หมอน่ะเขาเอาวินัยส่วนพ่ะมาจริงจริงเขาเอาเอาไปทำในพระใจประดุกอเขาถือเอาไปทำเป็นหลักส่วนมอนเน้นวินัยก็คือเคร่งคดอยางไงไม่แต่ศีรังกาเกิดอะไรขึ้นพระทั่วเกาะลังกาแอ้สิงหนเนี่ยจะบวชพระทั้งทีอย่างหาพระไม่ครบเลย ก็มาขอจากพมาก่าขอจากมอญตอนนั้นน่าจะเป็นประเทศผมไม่ได้รวมประเทศอย่างนี้แล้วก็ไทยซึ่งปัจจุบันก็ยังมีอยู่ปัจจุบันยังมีอยู่อันนี้คือกรณีศึกษากรณีตัวอย่างและที่สำคัญคือตักกะศิลาที่สมัยก่อนถา้าไปเรียนโซนนะ บอกว่าคือตะกัศิลาเลยเป็นแหล่งเรียนรู้ปัจจุบันมีใครรู้จักเลยเข้าใกล้ยังไม่ได้สิทธิทุกอย่างไม่มีการเรียนการทำงานอาชีพทำงามหากินเหมือนศีรกาเลยถ้าใครไม่เข้ารีบที่เรียนไม่ต้องไปถามหาคุณต้องเสียภาษีเพิ่มหนักสิทธิทุกอย่างไม่มีบุโรบุโฑทํานองเดียวกัน ถ้าใครไม่เข้ารีตก็เช่นเดียวกันปรากว่า ก, กลุ่มกลุ่มเดียวกันคือมาจากอินเดียเราไม่เอ่ยศาสานาไหนเลยเป็นกลุ่มเดียวกันที่ทํลายนานาลัทาเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันแต่ประวัติศาสตร์ของเราไม่พูดถึงเลยเรามีแต่เมตตามีแต่ฝ่ายเราเท่า น, นั้นนะในประวัติศาสตร์ไม่เคยไปรบราค่าฟันกับใครเลย ไม่เคยมีจับอาวุธสู้กับใครแม้แต่นารันธาก็ไม่มีอาวุธสับคดหรือต่า ง, งศาสนาอื่ น, นก็อยากให้พวกเรารับรู้ว่าโอ้ศาสนาของเรามาตกทอดเป็นมรดกถึงพวกเราเนี่ยมันไม็ใช่าไงไงแต่ที่สำคัญคือเราปฏิบัติถูกต้องตามธรรมในไหนโดยเฉพาะรอศรีรอศรีท่านเรียนบาลีแล้วไปอ่านแล้วมันไม่ตรง ก็ได้ไปศึกษาดูว่าปัจจุบันนี้ในยุคนั้นคนที่ยึดดีในดีดกเป็นหลักคือกลุ่มไหนก็ได้กลุ่มพระชาวมอนธรรมยุดเรายังสืบท้ายจะชาวมอนนะอดี๋ยจะไปคิดว่าชาวมอนเขาเป็นพมา่าเป็นอะไรเรามาจากเขานะ ต, นต้นแบบมาเพื่อฟูยุคจริ ง, รงก็คือ ทำไมตั้งถึงขนาดนั้นก็เพราะว่าศาสนาในสมัยนั้นก็เหมือนกับมันเหลือแต่ศาสนาแต่ในทางปฏิบัติมันไม่ใช่พระสงฆ์โอเนนก็ไปกลับบ้านกลับช่องขอาไปช่วยพ่อแม่ทำไรไถนาก็คิดจะเป็นการช่วยครอบครัวก็เลยท่านบอกโอ้ oh, มันอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่น่าจะใช่ลุกตมายังเคยเห็นเลยว่าพระ เน้นไปช่วยเกี่ยวข้าวช่วยอะไรา ม, ามาถึงวัดบ้านนะไม่ใช่วัดเราเพราะยังมีกันอยู่ก็สมัยนั้นน่าจะรุนแรงนี่อบอกว่าโอ้นี่ไม่น่าจะใช่ก็ลเลยมาเปลี่ยนแปลงักษนาแล้วก็ยุคเฟื่องฟูที่สุดก็คือลูกผู้บ้านเราร้อยกว่าปีมันร้อยกลางกลางปีที่นำการปฏิบัติอย่างจริงจังเรียกว่าพระปะ่ามาถึงยุคเราเราที่เฟื่องภูมากที่สุด ร, รุต่อรุ่นรุ่นต่อรุ่นจนถึงปัจจุบันที่ครูอาจารย์รู้จักมีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายอย่างที่เรารู้เราเห็นทุกวันนี้มาถึงยุคเราเพราะนั้นอยากให้ลําดับควาสมสําคัญว่านับถือได้ก็าําคัญแต่ต้องเรียงลำดับควาสมสําคัญอย่างเช่นวันนี้วั น, ว, นวันพ่อเรานะน่าจะเอาพ่อเป็นหลักก่อนนะสมมุติว่าเป็นพ่อเราจริงๆวันเนี้จัดงานให้เกิดละพ่อ Happy you แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเนี่ยเปาเทียนพูดเนี่ย แล้วเราจะเป็นนึกถึงคนอื่นอยู่เนี่ยมันมันไม่น่าจะใช่นะความนํานันกับรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วตอนเรียบรว่นเขาสองร้กว่าปีเนี่ยมัน ม, มีร่องรอยแล้วแต่ว่าความโชคดีก็ยังดีอยู่พระเจ้าอโศก ร, ราชก็คือเป็นผู้อิพุคุณต่อศาสนาถ้ามีพระองคก็เป็นสมาธิฟื้นฟูได้ขนาดนี้นี่นคือบุญคุณของท่านก็มีอยู่อันนี้คือเราเราเปรียบเทียบประวัติศาสตร์แล้วก็ความเป็นจริง ใพกเราฟังวาฟังแล้ววันนี้ยังจะไปใส่บาตรอยู่ก็ไม่เป็นไรแต่อยากให้รู้แต่แต่ขอเปเดืนอื่นก็ได้มันมีปีหนึ่งมันหลายครั้งเทียบตรงกันมี้แต่วันนี้ขอปฏิบัติบูบชาเพื่อพ่อของเราสักวันได้ไหมเพื่อพ่อของเรานั่งแต่เรารักพ่อเพื่อพ่อของเราเป็นการปฏิบัติบูบบชาอมิสซาบูชา พวกเราทํากันมาเยอะแล้วเดี๋ยวปฏิบัติบูชาอนะย่างน้อยแต่ที่สำคันมันจะเป็นประโยชน์จะเป็นทิศสายจะเป็นปัจจัยที่จะนุนส่งด้านจิตใจของเราใ น, ในอนาคตข้างหน้าถ้ายังไม่หมดไม่สิ้นยังไม่ไปไหนก็ยังเป็นมีนิสัยอยู่เดีย๋ยวได้เคยเราฟังข่าวก่อนภาคกลางคื น, ค, นคืนที่แล้ว เรื่องในธรรมะเรื่องเต็มในีใบเพราะนั้นพระโพธิสัต์ทุกพระองค์ไม่มีองค์ไหนที่ไม่บําเพ็ญบารมีไม่มีผลบารมีท่านเต็มแล้วเราจะเห็นว่าแต่ละองค์แต่ละท่านอย่างอยากห้ารูปพระองค์ห้าท่านที่ฟังธรรมครั้งแรกแล้วบรรลุคนต่างได้ดวงตายธรรมคือสุราบผมนั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญ ก็ทำกันมามาเป็นกันต่อเนื่องกันมาอธิษฐานกันมาปรารถนากันต่อกันมันเป็นรูปีผกปิจัดแล้วไม่ใช่ว่าฟังแค่นี้แล้วก็สำเร็จเลยแล้วเขาก็ไปพูดไปต่อเมื่อรู้ว่าพูดอย่างนี้แล้วประสบความสำเร็จทำไมเราไม่เอาไปขยายความทำไ ม, ไมพูดต่อคนก็พูดไปเรื่อยคนไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่อยู่ไม่รู้ที่ไปเพราะนั้นทุกอย่างมันเป็นกระบวนการ ไม่ใช่อยู่ๆมันโผล่ขึ้นเฉยอย่างหลวงพ่ออาพูดพูดถึงว่าเกิดแ ก, ก่เจ็บตายมันเป็นกระบวนการขั้นตอนของมันมันแค่ตอนเนื่องเชื่อมลงไปของมัน ใ, นใครจะปฏิเสธใครจะยอมรับมันก็เป็นกระบวนการของมันอย่านี้มันก็จะลันต่อไปเรื่อยๆรับมันจนวาระสุดท้ายใครจะยอมรับใครจะปฏิเสธก็แล้วแต่แต่ผู้เจริของเราเห็นคือพ่อของเราเนี่ยเห็นเห็นแล้วว่าเกิดแ ก, ก่เจ็บตายอะไรเกิดแก่จ็บตายอะไรไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย พยายามที่คิดค้นหาเสาะหนทางที่แก้ไขว่าตัวที่มันไม่ตายคืออะไรก็เข้าใจ เ, าเรื่องกายเรื่องใจเรื่องจิตตายเปเรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องรูปเรื่องร่างแต่จิตมันไม่เคยตายที่เราเรียกว่าตายตายตายจิตไม่เคยตา ย, าต ม, ย, ตายมันเดินทางเป็นนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่มากๆ เดี๋ยวออกจากร่างเสร็จมันก็เดินทางต่อแันนี้เดินทางโดยไม่มีเสบียงอะไรเล ย, เยจะเอาอะไรไปใช้เหมือนคนเดินทางไม่มีเบียไม่มีหอยสบโบราณจะเอาอะไรไปใช้ไปแลกไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําอันนี้แหละคือเบียคือหอยคือทรัพย์ที่ไปใช้จากข้างหน้าที่ไปต่อยอดก็ยังมีชีวิตอยู่แต่อย่งางไรก็ตาม คิดไว้ตั้งใจในใจเสมอว่าถ้ายัางไม่หมดไปพ้นก็ขอให้กลับมาเป็นคนพราอุูชศาสนาอยู่ในประเทศที่เหมาะสมที่พูดมาทั้งหมดที่เรามาทั้งหมดประเทศรับบ้านรับเมืองเราไปมาหมดแต่ว่าความเหมาะความควรภูมิอากาศหรืออื่นๆนมันไม่เหมือนบ้านเราโดยประการทั้งปวงทั้งเหตุการณ์บ้านเมืองกฎหมายกติกา ของสังคมไม่เหมือนกับบ้านเราเลยบ้านเราถือโชคดีโชคดีามากๆเป็นเรืความโชคดีอันนี้ก็กเราก็จะลืมไขว้คว้าความมีโชคอันนี้ให้กับตัวเองแล้วก็ต่อยอดโดยเฉพาะยิ่งวันนี้เป็นวันวันเกิดของพ่อเราควรจะทำอะไรสักอย่างที่เป็นการบูชาคุณเป็นการระลึกถึงเป็นการแสดงออก ความกระตัอยู่กระตะเวทีความรักความกระตันอยู่กระตะเวทีนี้มันจะมีคุณค่าก่อต่อเมื่อการแสดงออกทางกายทางวาจาแม้ด้วยใจมันถึงจะเห็นคุณค่ามันถึงจะได้ประโยชน์วันนั้นก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสาคัญวันหนึ่งในชีวิตของพวกเราที่เป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่าง ทุกเรื่องในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมท่านทำให้เราดูหมดท่านก็ใช้ชีวิตยอยู่ทางโลกแค่ยี่สิบเก้าปีก็ถือเยอะแล้วในวัยยีเก้าปีแต่ก็หารหลังสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดมีครอบครัวมีลูกเหมือนกับคนปกติทั่วไปหลังกนั้นก็เข้าป่าทดสอบทลองหกปีก็จะมีวันนี้ได้นะ ทุกเรื่องในสมัยนั้นเขาทำกันยังไงทรม า, านทรรกรรมเรียกว่าเป็นทุกขรกริยาถ้าใครไปอินเดียจะนึกภาพออกว่าสถานที่แต่ละแห่งบุก่อนเรียนเรียนแต่นักธรรมกว่าจะไปอินเดียได้ก็หัวออกแล้วก็ได้แต่จินตนาการว่าสถานที่พระองค์ประสูติตัศรุปริพานอ่านแล้วก็จินตนาการพอไปจ ร, จริงมันไม่ใช่ พอไปจริงมันไม่เหมือนที่เราจิตตนาการไว้โดยเฉพาะดินผ้าอากาศสถานที่ที่อยู่เราบันึกดูว่าเราใช้แค่ผ้าสามผืนข้าวมือเดียวแล้วก็เดินเดินเดินเดินหงวันฉันแล้วก็เดินพุทธเจ้าของเราผู้ไปโปรดคนข้างหน้าขนาดวัยแปดสิบแล้วก็ยังเดินวันสุดท้ายก็ยังเดินพุทเจ้าของเรานะ เดินเต็มในไหวจนลม้มนอนตัดสินใจนอนเสหสายชีวิจนครั้งสุดท้ายวิสุทธิ์ตาจุฬปริพภานนั่นเองก่อนปริพาวนั่นก็บอกเป็นในในหนึ่งพระนอนพระนอนก็ไม่ได้รับรู้อะไรว่าเราจะไปแล้วจนถึงโปรงผู้ชมจุสังขารว่าจารย์มไปอีกไม่กี่เดือนเราก็จะนิพพานแล้ว ก, ก็ไม่ทนแล้วสุดท้ายพระองค์ก็ ไปปรินิพานหลวงพ่อเล่าอยู่เสมอว่าการปรินิพานของพระองค์สอนจนไม่สมามารถพูดได้ก็ยังสอนามแม่ตากับพวกนั้นแม้แต่นอนตะแคงจะหมดลมหายใจแ้วไม่คนมเขาบทยังบวดหั้เป็นคนสุดท้ายก่อนนั้นท่านก็ไม่ตรัสอะไรอีกเลยนอนในท่าเสียจญาติจนพระที่เป็นปุถุชนธรรมดาส่วนพระอรหันต ไม่มีความสงสัยเข้าใจขั้นตอนแต่พระปุตุชนคล่องใจสนใจว่าวาราจิตคือจิตของพระ อ, องค์ตอนนี้เป็นอย่างไรคนที่ตอบคำถามก็คือพระอนุตตะพระอนุตธะเนี่ยเป็นต้นแบบของพระที่เป็นเนสชิกังคะคือไม่นอนแต่ท่านก็มีอายุยืนร้อยกว่าปีนะ ไม่นอนอนะ่ะนพวกเราอดคืนเดียวลงเย็นยังมีอยู่นะเนี่ยพระป่าลงเย็นแล้วเนี่ยไม่ตายหรอกท่านอยู่ได้ตั้งร้อยกว่าปีนะแต่ใ น, ในตารา ย, ยิงเ็บอกร้อยสสปีผ่านบุญทาและเป็นคนที่ชำนาญในเรื่องฌางเรื่องการเข้ากันออกฌานคือรูปฌานรูปฌานสี่เอาเดียวสมาบัติแปด อันนี้พระพุทธเจ้าได้ตั้งแต่เป็นเด็กด้ตั้งแต่เป็นเด็กพระอนุทะเข้าฌานก็บอกตอนนี้พุทธเจ้าเรากําลังเข้าฌานที่หนึ่งคือรูปฌานออกจากรูปฌานที่หนึ่งเข้าฌานที่สองสาม ส, ามสี่กลับไปกลับมาออกจากรูปฌานเข้าอารูปฌานที่หนึ่งสองสามสี่ตอนนี้พระองค์ออกจากรูปฌานอารูปฌานแปลว่า จิตท่านไม่คล่องอยู่ในรูปกับอารูปเพราะนัจิตของปุถุชนตามยังไงก็ไม่ทันตามวาระจิตของพระองค์ก็ไม่ทันปล่อยจากนั้นแล้วแต่ถ้าจิตที่ยังคล่องอยู่ในรูปชาติรูปชานี้ก็ไปต่อในชั้นพรมไปต่อที่ชั้นพร ม, ตพรมแต่ก็จะนานหน่อยแต่พระองค์ทําให้เรารู้ว่าสุดท้ายสิ่งที่ทาทําทมาทั้งหมดท่านก็ปล่อยหมดคือไม่เอา พระนั่นเรียกว่าการปฏิบัติธรรมแท้จริงคือทําเพื่อไม่เอาความหมายส่วนเรื่องโลกนะทําทุกอย่างเพื่อเอาพูดง่ายๆเพื่อได้ น, นี่คือเรื่องโลกนะถ้าทาแล้วไม่ได้ม่าดูจะทําอะไรค้าขายแล้วไม่ได้กําไรจะขายไปทไําไมขายแล้วมัต้องทําอะไรทําแล้วต้องมีเงินเดือนนี่สิ่งตอบแทนไม่ค่าตอบแทนจะเรียกอะไรก็แล้วแต่มันต้องได้ถึงจะทํา เราเรียกว่าทำเอาทำเพื่อได้แต่ทางทำทำเพื่อทิ้งแม้แต่รูปร่างกายของเราที่มีอยู่เนี่ยสุดท้ายก็เราต้องทำเพื่อทิ้งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำเพื่อเอาเพราะฉะนั้นใครๆไปฏิบัติแล้วอยากอยากได้อยา่างอยากเป็นอย่างนี้อยากเห็นนี่นั่นทำเพื่อเอาเนเป็นการเข้าใจผิดเพราะนั้นการปฏิบัติแทนคืนต่อการละถอนปล่อยวางอารมณ์ทั้งหมดทั้งมวลแม้แต่รูปกับอรูป รูปก็คือร่างกายนะรูปก็คือเวทนาสีตัวคือเวทนาทยาศักดิ์นต้องทิ้งหมดเพราะไม่งั้นละสีตัวก็คือเวทนาทัธยาศักดิ์นเนี่ยมันต้องหาที่เกาะใหม่หาที่อยู่ใหม่หาที่ตั้งใหม่ที่ติดจิตคือมาหาที่ตั้งของจิตใหม่ถึงแม้รูปนั้นจะเป็นรูปละเอียดแต่มันต้องอ า, งอาศัยรูปในความหมายเพราะฉะนั้นผู้เจ้าธของเราดูก็คือสุดท้ายทั้งรูปและรูปทิ้งหมด นี่คือพุทธองค์ครั้งสุดท้ายในวันปริพานพระอนุทธะก็รายงานสภาวะความเป็นอยู่โดอสภาวัจจิตของพุทธองค์สำหรับบุทุชนแล้ว ก, ก็ได้แค่นี้แต่ว่าจิตทีเป็นพระ อ, อริยะแล้วท่านเข้าใจก็แปลว่าหลังจากนั้นคือจิตไม่เกาะไม่คล้องในรูปแล้าอารูปนี้แล้วเพราะนั้นความเกิดจึงมีจึงเรียกว่านิพพานะคือดับ นิพานดูไปวันดับดูไปว่าเนคือไม่กลับมาอีกแล้วไม่กลับมาเกาะรูปร่างเหมือนพวกเราท่านทั้งหลายอีกแล้วเพราะท่านวางได้ละได้นนี่คือพระเจ้านี่คือพ่อของเราในวันสําคัญอย่างนี้เราจะไม่นึกถึงพระองค์สักครั้งสักวั น, วนบ้างเลยเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอย่างที่เราปรารถนาอย่างที่เราพูดทุกครั้งเพื่อประโยชน์และความสุขแกข่ขปจายทั้งหลาย แันนี้ก็เป็นฝากเพื่อให้เป็นแนวนึกแนวคิดเป็นกําลางใจงนะพวกเราอพอของเราถือว่าสิ้นไปแล้ ว, วก็ยังฝากมรด ก, เ, ร ก, รดกรรเดี๋มรดกทำแต่ที่สําคัญนั้นเบรติงพวกเราเฉยท่านยังมีลูกมีหลานที่เป็นสุปฏิปโนผู้ที่บาดีไ ป, ปชอบและรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงตามพระองค์พยายามที่ถ่ายทอดบอกกล่าวว่าการรู้แจ้งเห็นจริงและรู้ยังไง ร, รู้อะไร รู้แล้วควรจะยึดจะถือจะปล่อยจะวางอย่างไรนั่นต่างหากซึ่งปัิบันนี้ลูกหลานท่านเหล่านั้นก็ยังทำหน้าที่อยู่แต่อย่าลืมว่าในอนาคตสิ่งเหล่านี้มันจะน้อยลงจะน้อยลงจนน่าใจหายสุดท้ายก็จะเหลือแต่ปริยัติคือจำพูดง่ายคือสัญญา ก็อาศัยสัญญาเนะี่ยมาสืบทอดสืบต่อแต่ปัญญาผู้ที่เป็นปัญญาที่มาล้วของเราจากประสบการณ์ตรงมันจะมีน้อยาฝากพวกเราทุกคนเหมือนทุกวันนี้ตอนนี้หลวงปู่ไปแล้วหลวงปูป่ของเราไปแล้วภาระหนักต่อไปคิดเอาพวกเราตกที่ใครที่เป็นที่พึ่งพวกเราได้ มันน้อยลงนะภาระก็จะเพิ่มโคประชาธิเกตจะมีภาระเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไอ้กระดิษฐานขันโดยอายุการใช้งานมันก็จะลดลงมันไม่ได้เพิ่มขึ้นตามนั้นเดี๋ยวเรายังประมาทในไว้ในชีวิตก่อนเดียวก่อนรอก่อนช้าก่อนมันไม่ได้แล้วทําเต็มทีท่ทุกวันมากน้อยไม่เป็นไรขอให้ทำทุกวันเราความดีเราก็จะเพิ่มขึ้นทุกวันบวกทุกวัน แต่วันไหนเราไม่ทํามันก็ลบคือไม่ทำอะไรลบมันก็บอกอยู่แล้วไม่ทำสองวันก็ลบสองวันสาวันก็ลบเดือนก็ลบเดืปีลบปีลบจนไม่เหลืออะไรเลยถ้าเราไม่ทาส่วนไฟบวกมันก็เพิ่มเล็หน่อยไม่เป็นไรแต่ขอให้เพิ่มเพิ่มขึ้นทุกวันคือความดีที่เป็นกุศลกับพวกเราวันนั้นวันนี้แในวันคล้ายกับวันพูดไงวันเกิด วัตรสรูคืคอประสบการณ์สมบูร็จผลีผานคือดับแล้วก็มักลับมาเหมือนผู้เราเห็นเหมือนพู้เราเคยพูดช่วงเช้าว่าการเกิดของผู้เราเนั้เกิดเพื่อตายเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวแต่ปุโเจ้าไม่ใช่ปุโรหิตมันเกิดสองครั้งเกิดครั้งแรกมันกับเป็นคนอย่างผู้เราเกิดครั้งที่สองเนี่ยเกิดในทางศาสนาคือวัตรสรู้นี่อันนี้จะไม่มาเกิดอีกแล้วที่เราก็ อยากให้พวกเราตามรอย พ, อพ่อบ้างอยางน้อยก็ตั้งใจปรารถนาเอาไว้ว่าถ้ายังไม่ดับในชาตินี้ก็ขอการเกิดของพวกเราให้มันน้อยลงพบชาติให้มันน้อยลงถ้าทำไม่ได้ก็ให้มันน้อยลงท่านก็ยืนยันอยแล้วถ้าเราทำอย่างจริงจังก็วันนี้ เรามาร่วมน้อมรู้ึกเป็นพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติในวันสําคัญอย่างยิ่งวันนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายบุญกุศลที่พวกเราทําทั้งหมดในวันนี้จงถึงแก่บรรพบุรุษของเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีผู้คนทั้งหมดขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่พวกเราทั้งหลายได้กระทําบําเพ็ญในวันนี้จง สำเร็จจงสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมทุกคนทุกท่านตื่น